กายวาจาหรือใจหรือทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเอาความหมายของออปนญิโกนะอันหลังนี่สำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเห็นธรรมได้จากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สามารถจะนำทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาเป็นเครื่อง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 หรือว่าต้องเข้าวัดนะถึงจะรู้ธรรมสมัยสักสมัยที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงก็ประมาณสักเจ็ดสิปีมาแล้วนะเจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบปีมาแล้วท่านมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากพระทั่วไปโดยเพราะพระธรรมยุทธนะ์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 ที่ผลิตกันในช่วงนั้นเนี่ยโดยเพราะก็เกิดจากพระสมเด็จพระสมัมมาสัมพุเจ้ากรุมพยานัชิยามโรธท่านก็เป็นธรรมยุทธเป็นประมุขของธรรมยุทธนะแล้วท่านก็ส่งพระธรรมยุทธที่เรียนที่ศึกษาจากหลักสูตรของท่านเนี่ยไปตามหัวเมืองเพื่อนําเอาการศึกษาด้านประฤัติธรรมเนี่ยไปเผยแพร่แต่ว่าท่านอาจาย์มั่นนี่ท่านไม่ได้มีใจไปทางนั้นท่านก็ในเรื่องการ ปฏิบัติธรรมในป่าเดินทุดงจาริกแล้วก็ตอนหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายอันนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับมณฑลนะสมัยนั้นยังมีมณฑลอยู่ในคณะมณฑลดีสารท่านไม่พอใจมากนะที่เห็นพระที่เป็นลูกศิษย์ของ พระจันมั่นแล้วก็รวมทังพระจารย์สิงห์สหายธรรมของพระจันมั่นนี่ชอบใจฤกธุดองไม่อยู่วัดก็เรียกว่าเป็นพระจรจจัตรนะพระจระจัตรนี่เป็นคําใช้เรียกพระปราในสมัยนั้นคือแสดงความดูถูกพระจรจจัตรไม่เป็นหลักแหล่งเวลาพระสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์ไปจารึกที่ไหนในภาคอีสานอย่างเช่นคราดึงไปจารึกแถว อุบล น, นะรู้สึกจะ่ม่ง30มั้งเจ้าคณะมณฑลทีสารก็สั่งให้จเจ้าคณะเพอไล่ใหให้ออกจากพื้นที่เพราะว่าถือว่าไม่ปฏิบัติตามคณะสงฆ์จงกระทั้งต่อมาเจ้าคณะมณฑลนั้นเนี่ยภายหลังได้มาเป็นสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็เป็นสังฆนา ย, ยก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 ซึ่งเก่งเรื่องสมาธิและแสมุนไพรท่านก็ทําสมาธิแล้วก็ใช้สมุนไพรก็หายถึงออกปากว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิมันจะมีคุณเพียงเพียงนี้ในขณะท่านเป็นพระที่เลี้ยนสูงนะชั้นปริยัตประโยค6ประโยค7ได้เพิ่งมาเห็นคุณทางสมาธิก็ตอนที่ป่วยแล้วก็รักษาได้ด้วย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 ตัวอย่างหนึ่งก็ได้แก่ท่านพระจุลพันธกะฏพระจุลพันธากาฏนี้ท่านเป็นหลานของเศรษฐีเมืองราชพฤก์แต่ว่าปัญญาทึบนะมาบวชพร้อมพี่ชายแต่พี่ชายปัญญามีปัญญามากฉลาดบรรลุธรรมได้เร็วก็พยายามเคี่ยวเข็นน้องให้เข้าใจธรรมะเคยให้ คาถาทำอยู่หนึ่งคาถาให้น้องชายไปท่องท่านใช้เวลาสี่เดือนก็ยังท่องไม่ได้พี่ชายก็เลยเห็นว่าน้องชายเนี่ยคงหมดหวังแล้วเลยจะคิดว่าไม่มีความเพียรแค่คาถาหนึ่งคาถาไม่กี่บรรทัดยังท่องไม่ได้ก็ไล่ให้สึกเั้าจุลาบรรทักกาก็เสียใจนะก็คิดว่าสึกดีกว่านะ เอาดีทางนี้ไม่ได้พี่ชายก็ไล่ด้วยแต่พระพุทธเจ้าเห็นก็ทรงเห็นว่าเนี่ยจุลปันธกาเนี่ยมีเรียกว่าความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะว่าการบรรลุธรรมนี่มาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความฉลาดหรือความช่างจดช่างจําได้หรือไม่ก็มอบกรรมฐานให้กับนะท่านจุลปันธกาคือว่ามอบ ผ้าสีขาวให้ผืนหนึ่งแล้วก็ให้นายจุลปันตกะเนี่ยลูบนะลูบผ้าไปเรื่อยๆแล้วก็บริกรรมไปด้วยนะรัชโชหารนังรัชโชหารนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าเปื้อนทุลีอั่จุลปันตะกะที่ท่านถึงแม้จะปัญญาทึบแต่ว่าเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายก็ทําตามนะก็ลูบผ้าไปรูปไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆ แล้วก็บริกรรมไปด้วยทําไปทําไปเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิแล้วในเวลาเดียวกันก็เห็นว่าผ้าเนี่ยที่มันเคยขาวมันก็ค่อยหมองคล้ำลงนะคล้ำด้วยเหงื่อนะคล้ำด้วยทุลีพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยท่านก็เห็นท่านก็น้อมนะน้อมผ้านะที่หมองคล้ำเนี่ยคือโยงเข้ามา กับตัวเองเลย ว, ว่าเนี่ยผ้าที่มองครั้งก็ไม่ต่างจากจิต ท, ที่มันสว่างสวยแล้วมันก็เศร้ามองเพราะว่ากิเลสเข้ามาเกาะในขณะเดียวกันท่านก็เห็นความไม่จีรังหรือพระไตรักษ์เนี่ยจากผ้านั้นด้วยบอกว่าท่านก็บรรลุธรรมเป็นผ้ารหารันทันทีเลยแล้วก็มีเรียกว่ามีอภิญญนยา ตามมาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าผ้าสีขาวเนี่ยนะเมื่อรูดจนหมองคล้ำแล้วถ้าพิจารณาไม่ใช่เห็นสักแต่ว่าผ้าแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ใจของตัวเองเนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็เห็นว่าเนี่ยจิตนี่มันเศร้าหมองพอกิเลสก็ทำให้เห็นภัยของกิเลส และขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์นะจากผ้าที่มันแปลเปลี่ยนไปจากขาวเป็นหมองท่านก็มองเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วคนทั่วไปเนี่ยเห็นผ้าขาวแล้วกลายเป็นคล้ําก็เฉยเฉยไม่ได้แปลกอะไรนั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้น้อมเข้ามาสู่เจิตสู่ใจของตัวเองหรือไม่รู้จักโยงไม่รู้จับเทียบ กรณนของ น, นจุลปันตกาศนี่ก็ชี้เห็นว่าเรื่องการบรรลุธรรมหรือการเกิดปัญญาหินแจ้งในศาสนาธรรมนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาทางโลกนะหรือว่าความช่างจดช่างจำจริงๆแล้วนี่ไม่ว่าเป็นใครนะก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ถึงแม้จะเป็นโจรผู้ร้ายอย่างองคุลีมานอย่างจะเป็นคนที่ช่างขโมยนะ อย่างนางขูชุดตาตรานะที่ชอบขโมยยักยอกเงินที่นางสามาวดีให้ไปซื้อดอกไม้นะก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นอ่าพระโสดาบันได้โจนผู้ไร้หลายคนก็เป็นพระอรหันต์แม้แต่เนนนะเนนก็สามารถจะบรรลุ ธ, ธรรมได้เนนสุกนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นสิทธิ์ของภาษาลิบุตร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 ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจนอย่างน้ําก็ดีจยางไม้หรือลูกศรเนี่ยมนุษย์เราก็ยังสามารถที่จะบังคับควบคุมดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้และเราละ่ะนะเราซึ่งมีจิตใ จ, จทําไมจะบังคับควบคุมตนเองให้เกิดประโยชน์หรือให้เจริญ ง, งอกงามไม่ได้พอคิดเช่นนี้เท่นก็เกิดเรียกว่า ความตั้งใจยอย่างแรงกล้านะที่จะบําเพ็ญภาวนาก็เลยขอลานะพระไารบุฎนะบอกขอกลับไปที่วัดไม่ได้บอกสาเหตุนะไม่ได้บอกเหตุผลแต่พอกลับไปถึงเชตวันก็เข้าไปบปําเพ็ญภาวนาในวิหารจิตก็เป็นสมาธิเกือบจะเกือบจะรู้แจ้งอยู่แล้วนะพระสตรบุตรก็กลับมาถึงที่เชตวันพอดี พ, พระสเกรงว่าภาษาริบทจะมาขวางทำให้การปฏิบัติการเจริญภาวนาของสามเณรสุขนี่สะดุดนะก็เลยไปขวางเอาไว้ ค, คือชวนคุยนะชวนคุยอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งสามเณรสุขนี่ก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์อันนี้จึงเป็นที่มาของภาษิขมงพระจจาที่บอกว่าชาวนาขายน้าเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่งางไม้ถากไม้ ส่วนบัณฑิตฝึกตนนะคือสามในสูงนี่เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นสามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแสนจะธรรมดามากแต่ถ้าไม่ได้เห็นแล้วมองผ่านไปถ้าก็มองย้อนเข้ามาสู่ตัวเนี่ยว่าน้ำก็ดีไม้ก็ดีลูกสวนก็ดีไม่มีจิตใจมนุษย์เราก็ยังสามารถจะบังคับดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้และเราเล่ะนะมีจิตใจเราจะบังคับควบคุมดัดแปลงตนเองไม่ได้เชื้อหรือ ท่านยังมอเพียงว่าเนี่ยชาวนาก็ดัดแปลงสิ่งภายนอกช่างไม้ช่างสนุก็ดัดแปลงสิ่งภายนอกและเราเป็นนักบวชจะทำอะไรก็ต้องมาจัดการฝึกฝนตนเองอันนี้เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะคือน้อมสิ่งที่เห็นเพื่อมาเตือนสติหรือว่าเตือนใจให้ทำความเพียรมันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะบางท่าน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 รูปนามกายใจนะที่ครองอยู่ด้วยพระเทวีบางท่านนะพันทา์ติ ก, การนะภาวนาอยู่แล้วก็บางครั้งก็ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่ว่าวันหนึ่งนี้เห็นช้างนะเห็นควานช้างเข้าบังคับควบคุมช้างให้มันยอกข่าลงให้มันยืนขึ้นยอมให้คนควานช้างเข้าไปเข้าไป เข้าไปขึ้นขี่คอท่านก็เห็นว่าเนี่ยคว ช, ช้างเนี่ยสัตว์เดรเัจฉาน ย, ยังฝึกได้เลยแล้วทำไมใจของเราจะฝึกไม่ได้ถ้าเกิดความเพียนนะในการฝึกจิตสุดใจตนจนกระทั่งบรรลุ ธ, ธรรมอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะที่ว่ารู้จักรู้จักมองสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมามาใช้ในการ เตือนสติตัวเองได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แสนจะธรรมดาสา ม, มัญเมื่อจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้สิ่งที่คนเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นราคะแต่ว่าถ้ามองให้เป็นนะก็เห็นทำได้เหมือนกันอย่างพรลกุณ์กาปพฤติยาตัวเล็กๆนะ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 และท่านก็บรลลุทธำนะเป็นพระนาคามีแต่บางท่านก็เห็นภาพคล้ายๆกันแต่ว่าบัลลุทธำรรเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีนะเช่นพระนาคสมมา น, น, นี่เป็นตัวอย่างมากมายว่าการทำ ม, มานี่มันมันไม่ใช่อยู่แต่ในคำภีนะมันอยู่มันอยู่ทุกขนทุกแห่งนะถ้ามองเป็นนะก็จะเห็นธรรมหรือว่าถ้าโยงเข้ามา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 ก็เป็นเราเองที่ย่ำแย่มีหลายคนมาปรึกษานะไม่รู้ว่ามาปรึกษาหรือมาระบายมาคร่ำครวญอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนนะก็มาคร่ำครวนเสียใจที่สามีมีชู้สนาะมีนอกใจนะแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็เตือนเข้าไปว่า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 แล้วก็ตราบใดที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วนี่จะเห็นจะให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราได้อย่างไรนะถ้ากลับมามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่จมอยู่ในความเศร้าจะสลัดในความทุกข์ออกไปแล้วก็กลับลุกขึ้นมายืนจยัดเดินต่อไปใครเขาจะทํากับฉันอย่างไร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 ขอแม่สามารถทําให้เราทุกข์ใจได้ไอ้ที่ทุกข์ใจก็เพราะว่าปล่อยให้ความโกรธความเศร้ากความแค้นเนี่ยมันเล่นงานจิตใจโดยการเอาแต่ความเอาแต่การคุ้นคิดคุณคิดถึงอดีตและก็ไม่อยอมรับความจริงคนเราถ้ายังคุ้นคิดถึงอดีตไม่ปล่อยไม่วางสิ่งที่ผ่านไปแล้ว